เพราะความสุขความเจริญมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลายัยศรีประทุมกำลังนำเสนออายุสมะโอสัจชนะสูตรคือเป็นสูตรที่สัตว์ทั้งเรื่องอิทธิบาทและการปร่งระชนอายุสังขารของพระพุทธเจ้า ในการช่วงนี้พระทัตกาจารย์ได้เล่าถึงสถานที่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติคือในช่วงแรกในเสด็จประทับอยู่ที่สาวัตถีในขณะนั้นพระสารีบุตรท่านก็ได้พิจารณาถึงอายุสังขารของท่าน วาทำตามธรรมดาพุท ธ, ธประเวณีคือการสืบเชื้อสายในทางศาสนาเนี่ยอกัสสาวกกับศาสดาเนี่ยใครจะต้องปรินิพานก่อนต่ก็ทราบว่าอัสสาวกต้องปรินิพานก่อนเมื่อตรวดสอบอายุของท่านว่าเห็นว่าจะหมดอายุในวันขึ้นสิบสองอาสิบห้าคำเดือนสิบสอง ในปีที่พระพุทธเจ้าทรงระชนมายุอยู่ปีที่80สิบนะฮะพระท่านก็ไปโปรดมารดาของท่านคือนางสารีภาษารัิบุตรนั้นเรียกว่าเป็นครอบครัวพระอริยะคือท่านกับน้องชายอีกสามคนสามองค์นะคือพระอุปเสนพระ มาจุนทะแล้วก็ป ร, ประะีวุตรแล้วน้องสาวอีกสามท่านคือจาราอุปจาราสีสุ ป, ปจาราแล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่งดูเหมือนจะชื่อสุมาณะก็ได้เอาบวชบำเพ็ญเพียรบรรลุ ม, มัคผลไปทั้งหมดพ่อของท่านคือวังคันตะเนี่ยไม่ได้พบหลักฐานว่าในช่วงนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่แม่ของท่านยังมีความแค้นใจที่ลูกหนีบวชหมดแล้วทิ้งมรดกมาสาลเอาไว้ถึงหกร้อยห้าสิบโกดไม่มีใครใหญ่ดีเลยก็ทำให้ไม่พอใจภาษาดิบุตรเนี่ยเพราะว่านำน้องๆ อ, ออกบวชหมดแต่ภาษาดิบุตรก็พยายามที่จะช่วยเหลือแม่เพราะเห็นว่า ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเนี่ยถ้าจะไปคุยกับแม่เนี่ยยังไงก็คุยได้โดยก็ไปที่บ้านยบอกว่าป่วยหนักแล้วก็มาพักรักษาตัวในห้องที่ท่านคลอดแม่ก็ยอนในตกรลางคืนเนี่ยถ้าจะตูมาราชัาส ก, กะเทวราชพระพรมนโมกเฝ้าพระพุทธเจา้าเป็นช่วงพระสารีบุตรเป็นช่วงเป็นช่วง นางสารีก็เห็นเหตุการณ์แล้วนะันแล้วก็สอบถามใ น, นแต่ละช่วงพระสารีบุตรก็บอกว่าใครเป็นใครนะมาเพื่ออะไรนางก็เพิ่งรู้ว่าลูกของท่านเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยขนาดท้าจจตุมาราชปพระอินทร์พระพรหมมาเฝ้าดูแลอุปถาเกียวที่ใจก็อ่อนฮะท่านก็หาโอกาสเทศน์ไปเรื่อย ไปจบลงดนน้วยนางสารีบรรลุมพระพุเป็นพระสดนทันฑ์แลพระสารีบุตรก็ปรนนิพพานตอนนิพพานเสร็จก็เผาเลยเนี่ยระจุดท้ากเอาอัธิธาตุของพระสารีบุตรใส่ภาชนะมาถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้บรรจุไว้ รสร้างสถูปบรรจุไว้ที่เจดีย์ก็คงสถูปก็คงไม่ใหญ่อะเพราะว่าดูระยะเวลาแล้วก็ไม่นานแลว้วพระเจ้าก็มาประทับอยู่ที่กรุงรัชชคือในโชวนั้นและพวกโจรก็ได้รับจ้างมาจากพวกอัญญาเดชทีให้มาฆ่าพระโมคคัลลานะมาครั้งที่หนึ่งท่านก็ห น, นีไปครั้งที่สองท่านก็ห น, นีไป่าถึงครั้งที่สามเนี่ยท่าเนเห็นว่า หมดอายุแล้วเลยก็ไปอยู่ที่ถ้ากาลศีลาข้างภูเขาอิสิคิลิก็เจไปอยู่ในธรรมก็อิสิคิลิแปล ว, ว่าคืนฤษีบอกว่าพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปในนั้นน่ มันเลื่อนลอยมาทางอากาศแล้วแกล้ก็นกบินเข้าไปในถ้มแล้วก็หายไปเลยไปที่ผ่านข้าดหมดประชาชนเห็นเข้าก็รู้สึกว่าถ้านั้นยินหรือสีหมดแลด้วเราเรียกว่าอีสิกิลิหระบ ว, ว่าภูเขาที่กลือยหรือสีระโมกะลานะก็ รอให้โจนทุกทีจนเข้าใจว่าท่านนิพพานแล้วท่านก็อธิษฐานจิตรวบรวมสังขารร่างกายเข้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไปเฝ้าลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะ น, นิพพานพระพุเจ้าก็อนุญาตแต่ว่าก่อนที่จะ น, นิพพานเนี่ยก็ให้แสดงอิทธิปฏิหารให้น้องๆเขาดูหมายความว่าพระรุ่นหลังเนี่ยได้ดูเอาไว้ เป็นเนติเป็นตัวอย่างว่าพระระดับอังกษสาวกนี่เป็นยังไงบ้างกหลังจากนั้นเมื่อพร mmm ะโมคกัลลานิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็จัดการเอาอาฐิธาตุของท่านไปบรรจุไว้ที่แย่ดีเหมือนกันก็ เจดีก็คงสร้างมาใหญ่กันแต่ในปัจจุบันก็อัติธานุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะทราบว่าไปบรรจุที่สารจินะในตอนหลังสารจิก็เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่คงจะเป็นการกระทําของพระเจ้าอาโศกมาราชพระเจ้าทรงสร้างเจดีย์เสร็จแล้วก็เสด็จออกจากกรุงรัชคฤุษเสด็จไปที่อุ ก, กา เยละวิหารตามลำดับแล้วก็ตอนนี้ท่านท่านตัดข้อความไปคือที่มีพระไปเขียนเรื่องเทวจารนิพพานโดยพระรูกอะไรนะั่นก็พูดคำอนองนี้นะคือเราเห็นว่าถ้าเราจะเขียนจริงๆเนี่ยมันต้องเอาเหตุการณ์ในแต่ละจุดซึ่งปรากฏในพระคำพี่มาเชื่อมกัน ทีนี้ไปอ่านหนังสือเล่มสองเล่มแล้วมาเขียนเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะข้อความบางตอนเนี่ยอยู่ในอัตกถาข้อความบางตอนเนี่ยอยู่ในพระไสยวิฎกวังเก่าจไปพูดอะไรแต่มีอะไรก็ว่าเอยแต่ว่าในในในอัตกถาเนี่ยเรจะพบว่าบางตอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ภูเขาฮิะกู คืตอนพระเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคือนอกจากประทับที่พระเวลวันในพรรษาสุดท้ายแล้วเนี่ยคือก่อนจะเข้ารพรรษาไม่ใช่รพรรษาสุดท้ายเพราะตอนเข้าพรรษาเนี่ไปประทับอยู่ที่มทเมืองไพราลีแล้วออกพรรษาแล้วก็คืออย่าลืมว่าตอนในรพรรษาเนี่ยพระเจ้าทรงไปชวน ส่งมาชวนอยู่ที่เมืองไผ่สลีเมื่อการเสด็จไปประทับที่ปาวาลเจดีกับพระอนนก็เป็นเวลาเดือนสามนะฮะหมายความออกปรรสา ม, มาแล้วในขณะเดยียวกันก็แสดงให้เห็นว่าสุขภาพของหลวงก็ไม่แข็งแรงก็สรงไปชวนมาตลอดตรงนี้ท่านท่านบอกอันตรกถาท่านเล่า ว, ว่า พู้เจ้าทรงข่มไอ้ทุกขเวทนาต่างๆเอาไว้ด้วยอนุภาพแห่งอิทธิบาทภาวนาเนี่ยคนคมไว้ตั้งสิบเดือนแล้วก่อนที่จะถึงคราวปรพภานี่นก็หมายความมาเหตุการณ์ถึงจริงถ้าปล่อยไปตามปกติธรรมดาเนี่ยก็สังขารร่างกายก็ไม่ไหวแล้ว ประสง์เจริญนิธิบาตรภาวนาต่อเนื่องกันมาก็ข่มทุกขเวทนาต่างๆเอาไว้ท่านแต่หลายคนคงนึกออกนะถึงเจ้าคุณน ร, รัตวเทพสิริ น, นี่มีคนเชื่อกันว่าท่านเป็นพระหาอกลางกรุงท่านเป็นมะเร็งที่คอของท่านดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะไม่มีอาการ เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงในพระเวทท่านปล่อยเพื่อจะตายเนี่ยก็แตกออกมาเป็นแพรใหญ่โตแล้ท่านก็ตายสแสดงถึงจิตตานนภาพที่ไม่ใช่ธรรมดานะคือกลมทุกเวทนาไว้ได้เนี่ยแะสะแดงของฉันแนวอิธิบาทภาวนาเช่นเดียวกันทีนี้ พระพุทธภาษิต ท, ที่รับสั่งที่ที่ที่เล่าให้ฟังในวันก่อนคือทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะว่าพุทธบริษัทนีมันมีอยู่ทุกพระพุทธศาสนาที่เราศึกษาจากคัมภีร์ต่างๆรุ่นอัตกาถาอะไรแต่ไรก็ก็พบว่าชื่อของพุทธบริษัทมันมีอยู่ทุกทุกพระพุทธศาสนา วันเวลารับสั่งกับพญา ม, มาเนี่ยที่ทรงขึ้นต้นว่าดูกนมานผู้มีบาภิกษุผู้สาวกของเราก่อนสุดแรกพูดถึงภิกษุผู้สาวกของเราก็แสดงมาเรื่อยน ะ, ะมาเรื่อยจนมาถึงจุ ด, จดหนึ่งเนี่ยก็รับสั่งถึงภิกษุณีนะ ภิกษุณีผู้เป็นสาวกของเราแล้วก็เรื่อยมาแล้ผู้เป็นสาวิกาของเราดูก่อนมานผู้มีบาภิกษุณีสาวิกาของเราแล้วก็ว่าเหมือนเดิมข้อความเหมือนเดิมเพราะอย่างนั้นก็ขึ้นใหม่ขึ้นประโยคใหม่ขึ้นเรื่องให ม, ม่ดูก่อนภิกษุอุบาสกสรรราวกของเราก็ว่าไปตลอดข้อความเหมือนเดิมอย่างที่ว่ากันก่อนนะแล้วก็อุบาสิกาผู้สาวก ข, ของเรา ก็หมายความว่าคือบางครั้งบางคราวที่เราพูดเนี่ยคือเราเถียงเราเถียงอะไรกันเช่นว่านักปราชญของเราเนี่ยนักวิชาการของเราเนี่ยอธิบายว่ารพระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์จะให้มีภิกษุณีเกิดขึ้นในรพระพุทธศาสนาคือถ้าเราไปยืนยันอย่า ง, า ง, างนีน้มันก็ขัดมันก็ขัดกับ เจ็ดจำนวนเดิมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขัดหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธบริษั ท, ษททั้งสี่นีมีในศาสนาของพระพุทธเจ้าแนอดิบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเองก็ตั้งประไทยเอาไว้ที่จะปลิตสถานภิกษุภิกษุณีปศุปสิกขาเนี่ยให้มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะสืบสารนายุพระาพุทธศาสนาคือมีคุณสมบัติดังที่กล่าวแล้วเนี่ยและพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผ่านทีนี้ประเด็นคุณสมบัติเป็นประเด็นที่ที่น่าทบทวนน่าทำความเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าคําแต่ละคํเนี่ยมีความหมายว่าถ้าพุทธบริษัทเรามีคุณสมบัติในลักษณะอย่างนั้นจริง อย่างี้ถูงแสดงไว้ทั้งหมด น, นะก็ศา ส, สนาก็จะเข้มแข็งไม่เบานะฮะเพราะความทั้งหมดเนี่ยคือเวลาพระตถ า, าจารย์ไปอธิบายเนี่ยแยากทบทวนให้ฟังวามมา่าพระตถาอาจารย์ท่านว่ายังไงขึ้นมาจากคำโน้นและคำว่าวิยะาตาได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ชื่ชาเนี่ยที่นี้หมายความว่าบรรลุมรควลเป็นพระยะบุคคล ร, ระดับโสดาเกินไปเม่มีตาได้ได้แก่ได้รับการแนะนำโดยการกําจัดกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นออกไปทีนี้คนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันจะเกิดสภาพจิตอย่นึ่งเขาเรียกวิสาระพะที่จะมีความกระหายเพราะว่าภายในใจท่านไม่มีทิฏฐิไม่มีวิจิการสา พวกนี้จะวิสาห ะ, ะคือกรา้ารอย่างที่พระอนนท์เทระออกไปขวางช้างนาลาคีรีเนี่ยนั่นคือประโสดาบันนะแล้วปุถุชนทำไม่ได้หรอกต้องขาดแต่ว่าท่านถอนตาโนทิชิคือความเป็นตัวเป็ตนตนออกไปแล้วเพราะท่านก็ไม่ยึดมั่นในสังขารเหล่านี้ แตกดับเมื่อไรก็แตกดับท่านบอกว่าเพราะกันจัดทิชชิและก็วิจิกิจฉาก็หมายถึงศีลพรตับรามาดด้วยนะแล้วก็พวกนี้เมื่อเขามีอยู่เนี่ยจะทำให้เกิดความกำหนัดเพราะตัวตนเนี่ยสำคัญว่าอัตตาเนี่ยอัตตาคือตัวตนเนี่ยมันวุ่งไปหมดอะ่ะพอเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมา มันจะเกิดตัณหาเพื่อมากลนปลือตัวตนมันจะเกิดมานะเพราะรู้สึกว่าตัวตนนั้นเคื่องขึ้นนะฮะเื่องขึ้นจ่พระเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยมันก็รู้สึกเขื่องขึ้นอตาตัวตนมันก็เลื่องตามไปแล้วก็ตัณหาก็ต้องตามนะฮะต้องตามไปีนี้เราก็สร้างเป็นระบบว่าฉันนั่นนั่งอาสนะอย่างนั้นฉันนั้งอาสนะอย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสามสามสามระดับข้างบนเนี่ยนะอิรันยาบตรสมเด็จแล้วก็สมเด็จสังฆราชเนี่ยะจะมีอัสนะเป็นพิเศษสีต่างกันแต่ก็จำไม่ค่อยได้ฮะว่าใครสีอะไรแตสรุปว่าต่างกันแล้วก็แสดงว่าในสถานะที่เป็นเนี่ยมันมันเราจะเห็นการเพิ่ม หรือก็ใล้ๆกันเนี่ยใล้ๆกันคนคนหนึ่งวันนี้เป็นเป็นคนธรรมดาเป็นผู้แทนสมัครได้โปกฟอร์มเป็นรัฐบาลขึ้นมาพอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมนตรีมีขบวนเยอะที่เหมาะสมแก่สถานะของนายกบรมทีเป็นในมาไหนคนเดียวก็ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นขบวนต่างๆแสดงมุมมานะมันเพิ่มตันหามันเพิ่มมาน่รู้สึกปราเป็น เป็นไปตัวเสือมาตามันขึ้นขึ้นแล้วก็ตัะหาก็เพิ่มขึ้นการใช้ใจ่ายอะไรตอะไรต่างๆก็มากขึ้นเพราะที่มีคุณ็รจตุตีล้วก็ขึ้นเงินเดือนสอสอเนี่ยสอสสวเนี่ยในแง่ของความเป็นจริงนี่คนเหล่านี้จ่ายไม่ได้กี่ตังค์เราเดือนเดือน มันเป็นภาษีสังคมสีเยอะนะออกไปพบชาวบ้านเนี่ยหรือไม่จ่ายไม่ได้เด้อมีนคนที่เป็นดท่ น, นั้นเองแต่จะรู้นะฮะว่าเงินตรงนั้นเลี้ยงดูครอบครัวเนะ่สบายแล้วฮะรวยรวยรวยแล้วก็รูแล้วแต่จริงไม่ใช่ฮะแล้วก็สารพัดทีเดียว เพราะนี่เป็นเป็นเป็นอาการอย่างไี้มันสืบเนื่องจากตัวตนเนี่ยถ้าตัวตนเพิ่มโดยมานะไอตัณหาก็ต้องเพิ่มตาม แ, แต่อะไรแต่ก็ต้องตามมาแล้วก็ภูสุตานนั่นก็คือภูสูตรคือมีความแตกฉานในพระสัทธรรมอย่างที่ว่าไว้ แต่เนื่องจากพระอาตกราจารย์เนี่ยท่านเขียนที่หลังอย่างทีบ่บอกเป็นการอธิบายความที่หลังเมื่อพูกจ้านิพพานไปแล้วตั้งเก้าร้อยกว่าปีนะแล้วก็ตั้งหมายถึงพระไตรปิฎกแต่จริงๆพระไตริฎกสมัยนั้นไม่มีก็มีเฉพาะพระสัทธรรม มีปาพุทธมีธรรมวินัยมีสัตวุศาสตร์มีนวังกับสัตุศาสตร์อะไรต่างๆนั่งอย่งนี้ก็แล้วแต่เรียกแต่ว่าต่อมานี่ยเขจัดเป็นชุดเป็นหมวดเขาเรียกว่าปัจจัยบิดกธรรมธราทรงไว้ซึ่งธรรมธรรมนั้นเนี่ยธรรมคือที่ตัวเองศึกษาตัวเองปฏิบัติตัวเองในสัมผัสผลเนี่ยเพราันทรงไว้ซึ่งธรรมมก็ต้องมีทั้งสามระดับ ระดับของการเรียนรู้ระดับของการปฏิบัติระดับของผลคือต้องส่งผลไว้ใกล้ๆกกรรมนะลองสัเาางเกต เ, เราทรงกรรมเอาไว้แต่ว่าสื่อเนื่องมาจากเราต้องกระทําก่อนต้องมีเจตนากระทําพูดคิดที่เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามก็เป็ น, ป น, ปนรกรรมเพราะฉะนั้นส่งถึงเจตนาคือตัวกรรมแล้วก็ส่งไว้ซึ่งผลคือวิบากแล้วก็ส่งไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของเป็นสิทธิ จะทีเฉพาะตัวคนนั้นจะบุญก็เฉพาะคนนั้นจะบาป ก, ก็เฉพาะคนนั้นแล้วก็ข้อต่อไปก็คือในธรมธ ร, ธรมธาราธรรมธาราที่แปลว่าสรงธรรมเนี่ยท่านจึงเน้นไปทั้งปริยัติแตวต้องตัวผลตัวตัวปฏิบัตินะแล้วก็ตัวปฏิเวท ทีนี้ในธรรมานุธรรมะปฏิปนาเรีว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเวลาอธิบายบางทีเนี่ยสงสัยคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมถ้าในกรณีนี้เราจะเห็นว่าธรรมข้อแรกเนี่ยหมายถึงองค์ธรรมนั้นเช่นเมตตาเช่นกรุณาเช่นเว้นอคติเช่นอะไรต่าง ขันติเนี่ยไปทําสมควรแก่ธรรมก็คือพวกกรณีพวกเหตุผลพวกบุคคลพวกกาละพวกเทสะต่างๆใบบัดชอบยิ่งคือไม่เวียงไปด้านใดด้านหนึ่งเช่นเมตตาเนี่ยถ้ามากไปเนี่ยจะลำเอียงนะถ้าน้อยไปเนี่ยมันจะเป็นโทสะใบบัดชอบก็คือต้องเป็นเมตตาแล้วไม่เวียงไปทาง ชันถากติหรือไม่ชันถากตินะฮะหรือไม่เวียงไปทางโทสะลูนานั้นก็ไม่เวียงไปทางโศกะแล้วก็ไม่เวี่ยงไปทางเบียดบิยดเบียดเบียนมุฑิตาก็ไม่เวียงไปในทางไม่ยินดีแล้วก็ไม่เวียงไปในทา ง, งโมหะคติบางครั้งบางคาวเราชื่นชมยินดีในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นว่า พอแม่ลูกไปขโมยของได้มาก็แสดงความพึ่งชมยินดีอันนี้มันเป็นมุติตาแต่มันเป็นโมหากติเพราะว่าต่อไปลูกจะมีอันตรายในทรรงนองที่ท่านพูดเรื่องการสอนลูกให้เป็นโจรแต่การต่อไปก็คือแต่ในที่นี้ท่านเน้นไปที่ผูป้ปฏิบัติวิปัสนาธรรม หมายความว่ามองสังขารให้เข้าถึงความจริงตามกฎของประจัยหลักแล้วก็ลดละบันเทาสนามานาทิจิลงไปจนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสามีจิตปฏิปั น, นาเดียก็คือสามีจิตปฏิปโนโนั่นแหละ เป็นการปฏิบัติปฏิปทาที่สืบสืบกันมาโดยหลักของวิสุทธิ์ทั้งเจ็ประการคือสรุปว่าศีลสรรมที่ปัญญานะฮะเป็นสามีจิตปฏิปทาเพราะรักษณ ะ, ะเหล่านี้ยังที่บอกไว้ในวันก่อนว่าปฏิบัติไม่ถอยหลังมันมีการก้าวุบไปข้างหน้าเรื่อยๆคล้ายๆการเดินไปข้างหน้าเนี่ย เดินขึ้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเดินลงมันก็ลงไปเรื่อยๆเดินไปข้างหน้ามันก็ก้าวไปข้างหน้าเรื่ยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปรายานแล้วก็ตั้งใช้คำอีกคาหนึ่งว่าอนุธรรมะจาริโนแปลว่าเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมมีความมักน้อยมีความขัดเรามีความสันโดษมีความเมตตาเป็นต้นเนี่ย แมายความมาธรรมะมีอยู่ในตนแล้วก็ตนมีธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะในตนและคนอื่นก็ได้เห็นอาการของธรรมะที่คนเหล่านั้นแสดงออกมาทีนี้อาจจะดีว่าก็คือวาทะหรือคำพูดหรือคำสอนของอาจารย์ในการศึกษาเรียนแล้วก็ มีความสามารถในการดัดสตินะได้แก่บอกบอกบาลีบอกธรรมะบอกอะไรก็ตามมีข้อแม้ว่าโดยชอบนะมีข้อแม้ว่าต้องบอกในทางที่ชอบแล้วก็มองในรอบครอบรอบด้านถือไม่ใช่พูดตามความคิด เป็นการพูดตามความรู้อย่างน้อยพิธีถุดก็พูดตามปริยัติที่เรารู้มาเวลานี้เป็นปัญหาที่น่าห่วงโดยเฉพาะพวกอาจารย์กรรมฐานเนี่ยชอบปฏิเสธปริยัติเพื่อจะบอกว่านี้ฉันเป็นผลจากการปฏิบัติของฉันนะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเพราถือเป็นการขาโมยธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่มีความชื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าปริยัตยิไม่ได้หมายถึงการอ่านหนังสือทีจะต้องเข้าใจปริยัตยิไม่ได้หมายถึงการอ่านหนังสือการฟังจากอาจารย์การคิดเนี่ยเป็นจินตามรยาปัญญาแล้วก็เป็นการคิดจากปริยัตยิถ้าเราไม่มีการศึกษามาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะคิด มันเวลาผลที่เกิดขึ้นจากการปิบัติเราอย่าลืมถึงความต่อเ น, นื่นงนองมองคล้ายๆกับว่าเราปลูกพันไม้มันเลื้อยแล้วมันปลูกโคนมันอยู่แห่งหนึ่งรายผลมันไปออ ก, อกแห่งหนึ่งอย่าลืมว่าใครเป็นเจ้าของคนนั้นก็เป็นเจ้าของผลมันอาจจะเลื้อยไปไกลกเท่าไหร่ก็ได้แต่คนนั้นก็เป็นเจ้าของผลนนั้นเอง เพืการแสดงเนี่ยคือบอกโดยบาลีโดยชอบปัญญาเปิสันติหรือปัญญาเปิสันติก็แล้วแต่นะ น, นี้ก็พูดพูดหลายคนบอกว่าจะให้รู้จักคือจะประกาศแล้วก็แปลว่าจะตั้งไว้โดยประการทั้งปวงจะอธิบายธรรมะเนี่ยตั้งไว้โดยประการทั้งปวง แล้วก็กระทาให้เปิดเผย ว, ว, วิวริษสันติทําให้เปิดเผยแล้วก็วิภชิตสันติจักจาแนกแล้วก็ทําให้ง่ายคือทาให้ตื้นทําให้ตื้นขึ้นก็ทําะธมะตามปกติจะลึกนะฮะจะยากอันเวลาพูดเราก็ดูคนดูธรรมก็พูดพอพอพอเหมาะสมกับพูดฟังแม้แต่พูดเรื่อง สมมติเราพูดเรื่องปานาธิบาทเนี่ยเพื่อมันเกิดเป็นจิตสำนึกขึ้นภายในใจเด็กมันก็อาจจะแนวุปมาเทียบเคียงสอบถามว่าหนูรักชีวิตรหนูไหมคือคำถามนิดคำเดียวคาถามนี้แล้วก็ตอบคำเดียวว่ารักนะแล้วหนูคิดว่าคนอื่นก็รักชีวิตไหมเขาก็รัก เออถ้าเขามาทุบตีหนูหนูคิดว่าเป็นความยุติธรรมไหมก็ไม่แต่ถ้าหนูไปทุบตีคนอื่นจะเป็นยุติธรรมไหมก็ไม่เนี่ยถามคืบๆไปอย่างนีน้มันก็เป็นเจตเป็นสํานึกที่จะรักษาศีเขา้าทิศนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะไรไม่ต้องบอกอ่ะเรียจะยากไป พู ก, กับเด็กๆก็พูดกันอย่างนี้หรือคิดใ ห, ให้ถืคิดได้ก็แล้วกันเพื่อให้ผลเหมือนกันให้ผลออกมาเหมือนกันคือว่าเด็กไม่คาดสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์วิธีสื่อนั้นตรงใช่คำว่าอุตานีกรตุติอุตานิการิสันติกนะก็แล้วแต่ใช่ก็ประการต่อไปนั้นก็คือ ศาธรรมเณได้แก่ด้วยคำอันเป็นไปกับด้วยเหตุคือเป็นไปกัด้วยการในขรามาการจะชี้แจงปรัประวาทปัญหาต่างๆอายุติลงด้วยความเรียบร้อยอย่างที่บอกว่ า, าศาสนภัยอย่าคิดว่ามันเกิดเฉพาะภายในที่มีการอุปมาว่า มันไม่มีอะไรค่าราชสีได้ยรอกนอกจากพระญาติในตัวราชสีมันก็ไม่จริงราชสีคนข่าศึเยอะสัตว์อื่นข้าศึกเยอะหมาในยังค่าราชสีได้เลยเพราะฉะันมันเวลาพูดเราก็ต้องนึกถึงความจริงด้วยมันเป็นอุปมากระตุ้นเตือนกันในหมู่พวกได้แต่ว่าในภาคของความจริงเนี่ยไม่ใช่ ประวัติเรียนในประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราลองสังเกตว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นนับถือที่คอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็เป็นชาวพุทธเมื่อก่อนเดีย๋ยวนี้รุ่นลูกหลานเหลนของของนี้ก็กลับมาเป็นพุทธในขนาดเดียวกันที่ลูกหลานเหรนของเราไปเป็นคอมมิวนิสต์ ไปเป็นคริสต์ไปเป็นอิสลามก็เป็นได้เงั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งนั้นไม่เป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาความพอใจของเขาทีนี้ก็เ็เรียกว่าทำจนให้ออกจากทุกข์เขาเรียกว่าสัปปฏิหาริอยังเนี่ย มันเป็นเน้นที่อนุสาสนีปฏิหารคือความอัศจรรย์แห่งคำสอนยักย้ายเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารในคำสอนเหล่านั้นแต่ว่าอเทศนาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจกับอที่ปฏิหารในเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการสอนธรรมะโดยเฉพาะในกรณีที่คนเันกระด้างมันต้องกำหลับ มันสิ่งที่กำรับคนได้ก็คือรู้ความคิดเขาแล้วก็แสดงความเหนือกว่าในด้านอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อโอ้อวดแต่เป็นการทำเพื่อกำราบคนนะอย่างมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเา็ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าตั้งใจมาจากบ้านว่าถ้าพระพุทธเจ้าทักเนี่ย จะคุยด้วยถ้าไม่ทักก็จะไม่คุยหรอกหลวงพ่อเจ้ารู้ความคิดก็ทรงเฉยไปก่อนแขาก็คิดใหญ่่ะสมณะโคโดมไม่ได้ความไม่ไม่รู้จริงหรอกคิดรึยอ่งเจ้ารับสั่งว่าพรามณ์คิดอย่างนั้นไม่ดีหรอกคนเราเนี่ยต้องการประโยชน์อะไรก็ควรจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นพวิธีคิดที่พรามกำลังคิดเนี่ยมันไม่ถูกหอก่อ ความจํานนัน่นอันนี้ก็คืออาเทศนาปฏิหาราเทปัสนาปฏิหารคือความอัศจรรย์นในการรู้ใจถ่ายใจคนบางทีเขาคิดจะถามหลวงพ้าตอบคิดดูมินหลวเพ้าก็สุดแดงห้ครับอันนี้เป็นอาเทศนาปฏิหารทีนี้ ในอิทธิปฏิหารนี่ก็อย่างที่ยกตัวอย่างถึงการใช้อิทธิฤทธิ์กำราบคนหรือว่ากระตุ้นคนเช่นปรากฏอยู่บ้านหมอชีวกโกมารพัฒแต่อีกองหนึ่งไปปรากฏอยู่หน้าพระจุลวรทกนย่ยหรือพระองค์ประทับอยู่ที่ประเชศตะวันแต่อีกพระองค์หนึ่งไป โอดองุริมาณอยู่ระยะทางห่างไกลจากร้อยห้าสิบโยชน์เดี๋ยว ต, ตัวเนื้อหานี่มันไม่จะทำให้เขาบรรลุออกพวกนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการในี่ยทำให้จิตเข า, เขาอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อฟังธรรมะเพราะฉะนันก็นั้นบอกว่าธรรมังเดเซเน สันติดเดสันติจากยังหมู่สัตว์ให้สัตว์รู้คือจากประกาศโลกุตรธรรมเกนะ้าะโลกุตรธรรมเก้า็คือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งแล้วก็โดยบททั้งหลายที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยมันเป็นการเผยแผ่ธรรมะปฏิสถานธรรมะแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าเป็นทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็เป็นทั้งปฏิเวท พระพุทธพจน์เนี่ยคือประทตวิโดกเป็นอนันสงเคราะห์ลงแสดงโดยนิยะที่ที่กล่าวมาทั้งหมดในข้อต่อไปก็คือพรหมจันทร์ทรงประกาศพรหมจันทร์ตรงใช้คบว่าถ้าพรหมจันทร์ของพระองค์ยังไม่ดำรงอยู่มั่นคงเนี่ยองค์ก็จะไม่ไปนิพพานเพราะพรหมจันทร์เนี่ยก็จะแนกโดยองค์ทรรมอยสิบหมวด แย่ที่เคยเจอมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนบทบทที่สิบเนี่ยท่นานใช้กรรมศ า, าสนาพรหมจันทร์หมายความกรรศาสนาธรรมทั้งหมดเ่ยมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการสัมผัสผลก็ทั้งหมดก็เป็นเป็นพรหมจันทร์แล้วก็เมื่อพรหมจันทร์ประสบความสําเร็จหมายความมาคนรับผลระดับศีลระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาก็รับขึ้นไป แล้วก็การบัตรตัวนี้มีการแพร่หลายออกไปจนกว้างขวางาท่านเรียกววิทารังมีนี้คนรู้กันเป็นอันมากกระจายออกไปเพราะว่าผลประโยชน์จากศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์แก่คนมากๆในแง่ของความจริงเราจะเห็นว่าศาสนาไม่มีใครเป็นเจ้าของนะ แด้ยวยกิเลสของนักศาสนาเนี่ยมาไปยึ์ถือเป็นของตัวกูของกูกันเองในความเป็นศาสนามันเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติพอคนเราทํำให้เจ้าข้าวเจ้าของให้เราจะเห็นว่าศาสนาแทนที่จะเป็นเป็นผู้นําทางจิตใจของมนุษยชาติมันมีเยอะที่ใช้ศาสนาเป็นเงื่อนไขทางการเมือง ไปต่อสู้ไปประหารประหารไปชิงไว้ชิงพลิกกันแลกว่าทำในนามศาสนาเพันภาพลักษ์ของศาสนาเลยกลายเป็นการพร้ามมัวการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำสุดสงครามก็ไม่มีศาสนาเสาเลยดีกว่าเพราะมันอีกด้านหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ด้านของศาสนา แลงนั้นเมื่อพระเจ้าทรงแสดงมาถึงจุดที่ว่าเนี่ยมาถึงตอนอุบาสิกานะครับตอนอุบาสิกาข้อความเนี่ยก็เหมือนเดิมว่าคือพยามานเนี่ยมามากราบทูลเจ้าทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บตรนี้ภิกษุภิกษุเนีย่ยระสกบาสิกาทั้งหมดเนยนะฮะ ของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ฉลาดได้รับการแนะนําดีแล้ ว, ถ, ว, ลวลถึงความกล้าหาถึงความเกษมจากโยคะทรงธรำเป็นผู้พูดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบพระพุทธตามธรรมเรียนอาจารีวาสของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกย่อมกระทําให้ง่ายแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ำยีซึ่งประละปวาิที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมเดี๋ยก็ย้อนกลับมานะครับ บว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคเปรียิพานเถิดประสุติพรเจ้าสเสด็จเปรียิพานเถิดบัดนี้ถึงเวลาที่พระผู้เจ้าจะเปรียิพานแล้วพระผู้มีภาคเจ้ารับสั่งก็เป็นความถูกต้องนะครับเพราะว่าที่พระองค์ตั้งพระไทยไว้เนี่ยมันจัเสร็จแล้วภารกิจ ต, ตัวนี้ สมมติว่าพระองค์จะอยู่สักร้อยปีหรือเกินกว่าร้อยส่งจําส่งใช้กำมาถ้าเกินกว่าร้อยมันก็ต้องตายพระชาลาตายพระชาลาเนี่แท้ร้อยหมดสาหัสแล้วนะเห็ถ้าอยู่ถึงถึงร้อยหรือเกินกว่าร้อยมันก็แก่ม า, มากขึ้นไปอีกเห็นว่าแต่คนพิเศษอย่างพระปภากละก็ รับสั่งว่าดูก่อนมานผู้มีบาปพรหมจันท ร, ร์ของเรานี้ยจะยังไม่เจริญแพร่หลายกว้างขวางอันนี้ก็อ้างคําพูดที่พระเจ้ารับสั่งไงนะฮะแต่ ว, ว่าบัดเนี้ยบัดเนี้ยพรหมจัน ร, ร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญแทร่หลายคว้างขวางคนส่วนมากรู้ทั่วถึงแน่นนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศดีแล้วแต่แต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จ ปณิพานเถิดขอพระสุคตจงเสด็จปณิพานเถิดบัด น, นี้เป็นการสงควรแก่การปณิพานของพระภูมิพระภาค้าแล้วผู้เจ้ารับสั่งก็เรียกว่ารับสั่งด้วยญาณ น, นะะพระทรงรู้แล้วว่าพระองค์จะต้องปณิพานมาดูก่อนมานผู้มีบาปท่านจงพี่เป็นผู้ขวนภวายน้อยเถิดแม่นนานนักต่ฐาคตจัดปณิพานแต่นี้ไปอสามเดือน ตะตาโคตรจะปฏิิพาดพอจากนั้นก็ทรงมีพระสติสมัมปจน์รง์ปรุงพระชนมยุสังขารหน้าปาวาลเจดีพอปรุงสังขารก็เกิดอาการส ถ, าสถ้านสะเทือนเดินลั่นหวั่นไหวนีาเรียกว่าแผ่นดินไหว ตอนนี้สลา ว, วัยในมาปริญิาพานสูตรว่าพระนรินสงสัยว่ทำไมจึงเกิดแผ่นดินไหวก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าแต่ไม่คงไหวจนถึงกับบ้านเรือนตึกอะไรพั ง, พงนะถึงคนบาดเจ็บล้มตล้มตายก็คงจะเป็นการหวั่นไหวในลักษณะหนึ่งที่การเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร พระนรมากราบคูนถามแลงแสดงในมหาเปรีภานสูตรว่าแต่นนินไว้นั้นเกิดด้วยเหตุแปดประการที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าลมกับเริอลมแปรผันมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ท่านผู้มีอิจิริทั้งหลายเนี่ยบรรดาศแล้วพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิต มาถือไป็นสทิ่ในพระคันพระโพธิสัตว์ประสูตรพระโพธิสัตว์ตรสรุพระวุธิเจ้าแสดงปฐมเทศนาพระเจ้าปรุงพระชนมยุสังขานแล้วก็พิเจ้าในผ่านนะฮะพระนุ่นก็ลำดับความดูก็เห็นว่า ทุกเจ้าคงจะปฏิผ่านคงบงประชุรอายุสังขารแล้วอแต่ข้อความตอนนี้เนี่ยท่านพูดมาตรงตรงนี้เพื่อมาเฉพาะตอนนี้มันก็ทําเราเห็นอย่างนะว่าการที่ไยเจอเรื่องซึ่งคร า, าญญาณได้นํามาเรียบเรียงเนี่ยที่จริงมันต้องค้นเยอะนะฮะต้องรวบรวมเยอะคือถ้าสมมุติเราจะทําเรื่องสักเรื่องเนี่ย จะสมมติว่จะทำประสารทบุตรในเรื่องภาษาดีบุตรมันก็ต้อ ง, ต, องต้องรวบรวมเอกสารแบบวิทยา น, นิพนธ์อะหมายความต้องดึงเอามาก่อนดึงเรื่องภาษารีบุตรที่ปรากฏในบาลีอัตถา ม, มาก่อนแล้วอาจจะแยกกรณีหรือว่าแยกตามระดับการก็แล้วแต่ถ้าเขียนเชิงประวัติศาสตร์ก็เรียงไปตามระดับการถ้าแยกในเชิงโครงสร้างของภารกิจเนะี่ยมันก็แยกไปตามตามกรอบงานน่ะ เห็นการถึกศึกษาการเผยแผ่การดูแลงานพระศาสนาต่างๆก็ว่าไว้เป็นตอนๆปนตอนในตรงเนี้ยสมเปริงเป็นพระพุทธอุทานว่ามุนีได้ปรุงเครื่องปรุงแห่งพบอันเป็นเหตุสมพบทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้ ยิดีแล้วในภายในมีจิตตั้งมั่นได้ทําลายกิเลสที่เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะเช่นั้นนี่ก็เป็นพระพุทธภาไอพุทธพุทธอุทานนะฮะเป็นการแสดงสถานะของพระองค์แล้วก็ทั่วไปแก่พระรหา์ทั้งหลายนะฮะเป็นการสะท้อนจากผลของการสัตย์รู้ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีกิเลส ที่เป็นเครื่องสมภพคือจะเกิดอีกต่อไปนะแล้วก็เป็นการปรุงปล่อยวางอะไรแต่ออไรทั้งหมดเหมือนทหารสมัยโบราณเนี่ยเขสวมเกราะคื อ, อแสดงว่ายังต้องมีการรบแต่วันถอดเกราะมันก็จบจบการรบจบภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทำอีกต่อไปต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเปเริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโด้วยทวกันสวัสดี